ขณะนี้ท่านกำลังฟัง fm 1้6 7 5เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันสีตำบลจารพัฒ อ, อําเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิต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 ยังคงเป็นมักคาที่นำพาสรพพสัตทั้งหลายให้ผลทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่าวขอพรอันประเสริฐขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีเก่ยติโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมภาพพระสมรัตยา น, นทิโรวัดพันศีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินได้มาพบปะกับญาติโยโมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำ ตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่วม ร, รมเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกาในรายการกรวีบรรรธรรมเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็เวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกา ในรายการภาษาธรรมภาษาทินวันนี้ก็มาพบปะ ก, กับยศจมสาธุชนทั้งหลายดดเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษหน่ยนึ่งเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์สุภัสพัฒวโร น, นั้นท่านไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็จำเป็นที่จะต้องมาจัดรูปเดี่ยวก็แล้วกันวันนี้ก็จะ พูดในส่วนของประเด็นเรื่องอื่นไปเพราะว่าในส่วนของมงคล38ประการที่พูดคุยไปทุกวันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะพูดคุยกันสองรูปสนธนาธรรมการสองรูปเพราะฉะนั้นเมื่อมารูปเดียวก็คงจำเป็นที่จะต้องพูดในเรื่องของประเด็นเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะยศโจมสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหลือเกินแต่ว่า พื้นฐานที่เรานำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทุกวันนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถือว่าเป็นมงคลของชีวิตซึ่งเราไม่ต้องไปหามงคลที่ไหนหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราอาจจะเป็นคนที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองแล้วก็ต่อครอบครัวนั้นไม่จำเป็นต้องไปมองหา วัตถุเครื่องขรังของขลังอะไรทั้งสิ้นหลอกยัจโจมถ้าเราศึกษามงคลทั้ง3 8ประการทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในมงคลทั้งหมดเลยยัจโจมเป็นแนววิถีชีวิตถือว่าเป็นทางสายกลางสาหรับการเดินทางของเราในขนะที่เรายังมีชีวิตอยู่นการเดินทางถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็บอกว่า การที่เราจะเดินทางไปสู่กรุงเทพหมหานครเดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกาเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เงินเป็นเครื่องเดินทางนาพราะว่าใช้ในการจับจอยจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าการเดินทางของชีวิตเรานี่ต้องใช้บุญกุศลในการเดินทางต้องใช้ความสามารถคือบุญกุศลในการเดินทาง น่ะก็นี่ก็คือจุดประสงค์หนึ่งที่เราต้องรีบทำบุญในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราต้องเดินทางด้วยบุญกุศลแต่ถ้าใครที่เดินทางด้วยบาปบุญก็เป็นเหมือนกานย่าจมคือไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประกอบนะทำความชั่วเนี่เขาบอกว่าทุคติเป็นที่หวัง ทำความดีเนี่ยสุขคติเป็นที่หวังก็จริงๆแล้ววันนี้จะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องรายการของช่วงเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิกาที่เคยพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันเนื่องจากว่ามีการปรับแผนรายการใหม่ก็ไม่ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำที่เคยมาพูดคุยก็หลาย ท่านทีเดียวที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในเบอร์ของดมภาพบอกว่าเอ๊รายการนั้นหายไปได้อย่างไร <c oughs> นะรายการในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาก็หายไปรายการในช่วงของเวลา16บหนาฬิกาก็หายไปนะยังเหลือรายการตีห้าถึง6โมงเช้านี่ยังอยู่ว่าอย่างงั้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไ ร, รายอโจมเนื่องจากว่าตามปกติแล้วนี่อาตมาภาพเองก็รับชั่วโมงวันละสี่ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักด้วยเพราะว่าไหนจะในส่วนของงานสอนพระพิสุสา ม, มนเณรในวัดนี่ตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหดูแลตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาส6บกนาฬิกาเสร็จจากนั้นแล้วก็ต้องมาทำรายการต่อสี่โมงเย็นจนถึง หมงเย็นแล้วก็ไปจัดรายการอีกนูนเวลา 18.30-19 แล้วก็ต้องมาจัดรายการอีกสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ต้องไปจัดอีตีห้าถึง6โมงเช้าอีกนี่ก็วันหนึ่งนี่ทำงานเต็มที่เลยทีเดียว <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วละความคุ้นเคยความเคยชินในการที่เราได้มาพูดคุยพบปากกับญาติโยม นาที่อยู่ที่บ้านถึงเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะแต่ว่าคงอย่างน้อยก็มีคนฟังนะ่ะนเพราะว่าปกติแล้วรายการธรรมะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครโทรัพท์เข้ามาเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะคุยกับพระไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สรรพนามการใช้คำนำหน้านามต่างๆนี่นาพระกุณเจ้าหรือพระหรือจะใช้อะไรผมหรือฉันนี่นะก็ไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจะมาภาพเองก็น่ะคุยคนเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้วล่ะ4 <c oughs> ี่ปีมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันในส่วนต่อเมื่อช่วงอาสี่โมงอาเย็นอาที่เคยคุยมาแล้วล่ะนะก็คุยกันติดต่อกันมาหลายวันเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดพิธีในงานศพหลายคนหลายท่านส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการจัดพิธีงานศพสักเท่าไหรน่นัก ซึ่งได้พูดคุยมาแล้ววันนี้จะพูดคุยในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการจัดงานบาเพ็ญกุศลศพนะว่าเราจะมีระเบียบปฏิบัติการอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลบังสกุลปากโกศศพหรือปากหีบศพนั่นเองยะจมเมื่อได้นําศพเข้าบรรจุในโกธหรือในหีบศพแล้วนี่ แล้วเราก็ยกขึ้นประดิษฐานบนเครื่องตั้งประดับตกแต่งเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วเราก็นิยมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสระดับรกรหรือบางสุกุลปากโกศพโดยส่วนใหญ่แล้วเรานี่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์สิบรูปมาพิจารณาสรดับรกรหรือบังสุกุลปากโกรศบสําสหรับพระ สำรับสำหรับพระศพหรือศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้รับพระราชทานน้ำอาบศพและก็ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพหรือนิมนหรือเรานิยมนิมนพระพิสุสงจำนวน10บรูปหรือห้ารูปมาพิจารณาผ้าบังสุกุลปากหีสบศพสำหรับศพผู้มีเกียรติทั่วไปเมื่อพระสงฆ์รงสามนัสสา์หรือพระภิสุสงฆ์ธรรมดา ซึ่งได้รับอาราธนาเตรียมไว้ก่อนแล้วนี่มาพร้อมกันแล้วนี่เมื่อพิธีการทุกอย่างจัดเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้ น, นขึ้นนั่งบนอาจสงยะจมเจ้าภาพงานศพนั้นเริ่มจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรยัยและก็จุดเครื่องสักการะบูชาที่หน้าเครื่องตั้งศพถ้ามีเครื่องทองน้อยตั้งอยู่ที่หน้าเครื่องตั้งศพด้วย กอนิยมจุดเครื่องสักการบูชาที่เครื่องท้องน้อยนั้นแล้วก็หันด้านหน้าที่ตั้งดอกไม้ออกมาทางพระสงค์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลเพื่อให้ผู้ตายบูชาธรรมพิธีกรก็เริ่มอาราธนาศีลพระเถ ร, ระประธานสงค์ก็ให้ศีลจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ตั้งพัดสวดมาติกา พอจบแล้วในยัดโยมพิธีกรก็เริ่มทอดผ้าโพสายงถ้ามีโดยยกผ้าโพสาโยงลงจากผานที่รองรับไว้ที่พื้นอาสงแล้วก็จับชายผ้าโพสาโยงทอดไปตามพื้นอาสงจนตลอดพระสงค์ทั้งนั้นหรือทอดได้สายสินไปจนตลอดประสงค์ทั้งนั้นเพื่อเป็นการทอดผ้าบังสุกุลต่อไป หรือเมื่อเจ้าภาพศพจุดเครื่องสักการบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรก็นำผ้าบังสุ kul เข้าไปเชิญเจ้าภาพนาผ้ า, าบังสุ kul ต่อไปโดยไม่ต้องอาราธนาศีลและก็ไม่ต้องสวดมาติกาเจ้าภาพรับผ้าบังสุ kul มาทอดครั้งละผืนโดยวางขวางาผ้าผูสายงหรือวางขวางได้สายศีล ตรงข้ามหน้าพระพิสุสงแต่ละรูปจนครบทุกรูปเมื่อเจ้าภาพทอดผ้าบังสกุลเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นตั้งพัดพิจารณาผ้าบังสกุลพร้อมกันเจ้าภาพก็นั่งประนมมือฟังเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลจบแล้วพิธีกรก็พึงนำภาชนะสำหรับกรวดน้ำเข้าไปให้เจ้าภาพ พระสงฆ์ทั้งนั้นก็ตั้งพัดเพื่ออนุโมทนานาเจ้าภาพก็เริ่มกรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายแล้วก็ประนมมือรับพรต่อไปทีนี้ยศโยมเมื่อพระสงฆ์นี่กำลังอนุโมทนานั้นนี่พิธีกรก็พึงเก็บผ้าโพสายงหรือใดายสายศิลเป็นเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลบังสุขุณปากศพหรือปากหีบศพนายจบ ทีนี้ถ้าเราจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมประจำคืนนี้เราจะทำกันอย่างไรการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจำคืนนั้นนยิยมนิยมเริ่มจัดทมตั้งแต่วันที่ศพเป็นต้นไปทุกคืนจนครบสัตตมวานคือที่หนึ่งถึงครบเจดวันอันนี้สำหรับผู้มีทุนนยิยมส่วนใหญ่แล้วบ้านนอกเรานั้นก็ส่วนสูงสุดแล้วก็คงจะ สูงสุดเจ็ดวันนั่นแหละแต่ถ้าปกติที่คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็สามวันนะถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่หรือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายก็นิยมเปิดโอกาสให้ผู้มีความกระตันยูกตาเวทีได้รับจองเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้หลวงรับไปแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความกตันญูกะตะเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ หรือมีอุปการะคุณแก่ตนแก่ตนตามประเพณิยมของสังคมยะโจมการนับวันบำเพ็ญกุศลสัตตมะวานปัญญาสัะมวานและก็สัตตมะวานเนี่ยนิยมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมเป็นต้นไปก็คือเมื่อนับจากวันที่ถึงแก่กรรมไปครบ7วันเรียกว่าสัตตมวานเาเรียกว่าทำบุญเจ็วันนั่นแหละ ย, ยะโจม เมื่อนับจากวันที่ถึงแก่กรรมไปครบ50วันเรียกว่าปัญญาสัามมาวันทำบุญห้วันเมื่อนับจากวันถึงแก่กรรมไปครบ100รวันเราเรียกว่าสัตตมวานยจบการบำเพ็ญกุศลในวาระที่ครบ7วัน50วันและ100วันนั้นนี่ยัตยมนิยมว่าเป็นงานส่วนรวมของคณะเจ้าภาพโดยตรงจึงมานิยมเปิดโอกาสให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะ เมื่อบำเพ็ญกุศลในสัตตะมวันที่หนึ่งคือทาบุญเจวันแล้วถ้ายังมีผู้มีจิตศรัทธารับจองเป็นเจ้าภาพรับสวดพระอภิธรรมต่อไปอีกก็นิยมเปิดโอกาสให้รับจองเป็นเจ้าภาพในสัตตมวนตันต่อต่อไปทุกๆ7เจวนันซึ่งตรงกับวันที่ถึงแ ก, ก่กรรมเช่นถึงแกศกรรมวันอาทิตย์ก็นิยมเปิดสบสวดพระอภิธรรมทุกๆวันอาทิตย์เป็นตน้น จนครบ100วันหรือจนถึงว erm ันพระราชทานเพลิงศพหรือจนถึงวันชาปนกิจศพยะจบการจัดงานบําเพ็ญกุศลสัตตะมวานหรือทําบุญเจ็ดวันที่เราเรียกกันทั่วไปนิยมเป็นงานบําเพ็ญกุศลพิเศษโดยจะได้มีรายการบําเพ็ญกุศลต่างๆตามกําลังศรัทธาและก็ตามกําลังทรัพย์ที่อํานวยให้จัดทําได้ซึ่งนิยมจัดงานบําเพ็ญกุศลสองวันบ้าง วันเดียวบ้างการจัดงานบําเพนกุศลศพสองวันนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วการจัดงานบําเพนกุศลสัตตะมะวานหรือทําบนเจวันนั้นนี่ถ้าเราจัดสองวันนิยมเริ่มงานพิธีบําเพนกุศลตั้งแต่เย็นวันที่ครบ6วันแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่ครบ7วันโดยมากนี่ก็มีการบําเพนกุศลศพเป็นลําดับขั้นนะก็มีการกําหนด วันเดือนปีพอสอตรงกับวันเท่าไหรกี่ข้าเวลาเท่าไรเช่นตัวอย่างว่าเวลาสิบเจนาฬิก า, าพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาพระสงค์สีรูปสวด ร, รับเทิด น, นั่นเองเวลา18บแนาฬิกาก็พระสงฆ์ทรงสัพนะศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนตรอะไรอย่างนี้เวลา19บเานาฬิกาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรม วันที่สอง่ะวันรุ่งขึ้นวันที่เดือนพศออตรงกับวันกี่ค่ําเดือนอะไรนี่เวลา10บนาฬิกาสานาทีอะไรอย่างเงี้ยประสงค์สงสารนัสสักสิบรูปสวดถวายพรพระเวลา11บเนาฬิกาถวายพระตานเพนแด่พระพิสุสสงจานวน100รูปอะไรอย่างเงี้ยเวลา12บสนาฬิกาสามาทีพระพิสุสสงจานวน100รูปสวดมาติกาบางสกุลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็นิยมจํานวนเท่าอายุผู้ตาย แล้วก็เวลา19บเนาฬิกาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรมถวายองค์เครื่องไทยธรรมทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์อานุโมทนาจบแล้วเป็นเสร็จพิธีอันนี้หมายถึงว่าเรากําหนดอสองวันนัยยะจมส่วนการจัดงานบําเพ็ญกุศลวันเดียว ก, ก็คือการบําเพ็ญกุศลแต่มวานคือทําบุญ7วันแบบจัดงานบําเพ็ญกุศลวันเดียวนิยมจัดทําในวันที่ครบ7วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรมเป็นต้นมา ในปัจจุบันนี้นิยมจัดงานบําเพ็ญกุศลแบบวันเดียวโดยมากเพราะไม่ต้องเสียเวลาด้วยกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าภาพทั้งฝ่ายพระพิสพูุน์สองผู้ได้รับอาราธนามาในงานแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปอีกด้วยยั่ยมโดยมากก็นิยมการจัดบําเพ็ญกุศลหนาวันเดียวเช่นวันที่เดือนปศตรงกับวันที่กี่ขําเวลาส0บนาฬิกา พ ร, ระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา10บนาฬิกาสานาทีพระสงฆ์ทรงสามัญศักดิ์สิบสรูปสวดพระพ uh. ุทธมนต์11บเนาฬิกาถวายพัฒหันเพลเด็พระภิกษุสงฆ์จำนวนท่าวายุผู้ตายอะไรกว่ากไป12บสนาฬิกาสานาทีพระภิกษุสงฆ์จำนวนกี่รูปสวดมาติกาบางสกุลก็บอกไปในเวลา19บเนาฬิกาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรมถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี ทีนี้การจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสามวานันการจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสามวันก็คือการทําบุญห้าสิบวันนั้นย่าจมก่อนิยมจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลต่างๆเช่นเดียวกับการบำเพ็ญกุศลสาร์ามวานันที่เราทําบุญเจดวันนั่นแหละที่เรากล่าวมาแล้วแต่ถ้ามีความขัดข้องในเรื่องการเงินก็ตามนะมีความขัดข้องในเรื่องเวลาไม่อานวยก็ตามนี่ ก็นิยมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแบบรวบรัดให้เสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและก็ไม่ต้องจัดพัฒหาารอีกด้วยโดยมีรายการบำเพ็ญกุศลต่างๆนาที่จะยกตัวอย่างมาบอกญาติโยมว่าว่าเราก็ากำหนดวันเดือนปีพศตรงกับ ว, วันที่กี่คำ่ำเวลา17นาฬิกาพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาประสงค์สีรูปสวดรับเทศ เวลา18นาฬิกาพระสงฆ์สีรูปสวดพุทธมนต์เวลา19นาฬิกาพระสงฆ์รูปสวดพระพิธ ร, รมถวายเครื่องแตยธรรมทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์ก็อนานโมทนาแล้วเป็นเสร็จพิธีอันนี้เป็นการจัดพิธีง่ายๆการจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตตามวานหรือที่เราการรู้กันโดยทั่วไปก็คือการทำบุญ100วันนั้นนี่โดยมากก็นิยมจัดทาเป็นพิเศษกว่าการบาเพ็ญกุศล7วันและ50วัน เพราะว่าเรามีเวลาตระเตรียมสิ่งของต่างๆได้นานยะจบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์คือทั้งบุคคลที่ร่วมงานก็มีความเห็นพ้องต้องกันทั้งสถานที่ก็อำนวยทั้งการเงินก็เพียงพอทางหนังสืออนุสรงานก็จัดพิมพ์ทันก็นิยมจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานีควบคู่กับงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานฉาปนกิศพคือจัดงานติดต่อกันเลยยะจบ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่พร้อมก็นิยมจัดงานบําเพ็ญกุศลสัตตมวานนี้เป็นงานหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเดียวกับงานบําเพ็ญกุศลสัตตะมวารและงานบําเพ็ญกุศลปัญญาสามวานดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนในการจัดงานบําเพ็ญกุศลศพ7วันก็ดีห0วันก็ดี100วันก็ดีนี่ยัดยุบไม่นิยมพิมพ์การ์แจกเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องการบําเพ็ญกุศล ภายในของวงญาติมิตรสหายและก็ผู้มีความเคารพนับถือทั้งหลายพึงแสดงความกตัญญูกตาเวทีจัดการบาเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ล่วงละไปตามกำลังศรัทธาและก็ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะทีนี้ถ้าจะเป็นการบรรจุศพละ่ะระเบียบพิธีปฏิบัติการบรรจุศพนั้นเป็นการกระทากันอย่างไรการกาหนดวันบรรจุศพเนี่ยญาติโยม การกําหนดวันประกอบพิธีบรรจุศพก็คือการเก็บศพไว้ก่อนเพื่อรอความพร้อมที่จะจัดงานชาปนกิจศพหรือจะจัดงานพระราชทานเพลังศพเนี่ยก็นิยมปฏิบัติกันโดยมากก็แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือหนึ่งละการประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อได้บําเพสส็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบสามคืนแล้วหรือการประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อได้บําเพ็ญกุศลสัตตะมะวานคือทําบุญเจ็วันแล้ว การจะดกำหนดประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อไรณนะสถานที่ไหนนั้นนี่เจ้าภาพศพนั้นจะต้องติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสุสานที่จะประกอบพิธีบรรจุศพนั้นไว้ล่วงหน้ากอ่อนเพื่อความสะดวกเรียบร้อยดีงามด้วยกันทุกฝ่ายสำหรับศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืนก็ดีทุกเจวันก็ดีตลอดไปจนกว่าจะถึงงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสาม ว, าาวันทำบุญห้สิบวัน หรืองานบำเพ็ญกุศลสัตตมหวนันทำบุญหนึ่งรวันหรืองานชาปนากิจศพหรืองานพระราชทานเพลงพิงศพหนาไม่นิยมจัดพิธีบรรจุศพแต่อย่างใดสถานที่บรรจุศพนี่สถานที่ ท, ที่จะบรรจุศพเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากเราก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คือ น, นั่งละการบรรจุศพณนศะาลาที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้น สก็คือการบรรจุศพณสุสานของวัดที่ตั้งศพ บ, บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้นหรือการอัญเชิญศพไปบรรจุณนะสุสานของวัดใดวัดหนึ่งหรือณนะสุสานนอกวัดใดแห่งใดแห่งดนึก่การบรรจุศพณ่ศาลาที่ตั้งศพ บ, บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้นนี่นิยมเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพต่อจากได้บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบสามคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคืนนั้นสืบต่อไปทันทีหรือนิยมเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพต่อจากได้บําเพ็ญกุศลสัตตมวานคือทําบุญเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วในวันนั้นสืบต่อไปทันทีทีนี้การบรรจุศพนัสุสานของวัดที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศลโดยนิมนต์พระสงฆ์แห่งวัดที่ตั้งศพนั้นเป็นผู้นําศพไปยังสุสานที่จะประกอบพิธีบรรจุศพนั้นจํานวนหนึ่งรูปหรือหลายรูปก็ได้ การอัญเชิญศพไปบรรจุณสุสานของวัดใดวัดหนึ่งหรือณสุสานนอกวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเนีย่ยนิยมนิมนต์พระสงฆ์แห่งวัดที่จะนําศพไปบรรจุนะั้นเป็นผู้นําศพไปยังสุสานของวัดนั้นหรือนิยมนิมนต์พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าภาพศพเป็นผู้นําศพไปบรรจุณสุสานนอกวัดแห่งใดแห่งหนึ่งนั่น เ, นนเอง การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีบรรจุศพในย่าจมในการประกอบพิธีบรรจุศพนั้นนิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีไหว้ให้มีพ ร, พร้อมก่อนถึงเวลาประกอบพิธีซึ่งก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะประการแรกก็คือผ้าไตรหรือผ้าสบองหรือผ้าเช็ดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนสําสหรับใช้ทอดในประสงค์พิจารณาบังสุ kul ก่อนที่จะบรรจุศพอย่างน้อยหนึ่งเผืนหรือมีจํานวนมากเท่าจํานวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบางสกุลนั้น 2. ก็คือก้อนดินเล็กๆห่อด้วยผ้าสีดําหรือห่อด้วยกระดาษสีดํามีจํานวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งก้อน 3. ก็ดอกไม้สดชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีสีสวยมีกลิ่นหอม และก็กําลังสดชื่นโดยมากก็นิยมใช้ดอกกุหลาบมีจํานวนมากเพียงพอแก่ผู้เข้ามาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งดอก 4. ก็ทูบนิยมใช้ทูบหอมมีจํานวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งดอก 5. ก็กระถางทูบหนึ่งลกูกมีขนาดใหญ่พอสมควรสําหรับใช้ปักทูบเคารพศพนั้น6 ก, ก็คือเหรียญเงินหนึ่งบาทหรือ เหรียญเงิน5บาทจำนวนหนึ่งเหรียญเป็นอย่างน้อยหรือมีจํานวนหลายเหรียญก็ยิ่งดีสําหรับใช้ซื้อที่อยู่ให้แก่ศพนั้นตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณากาลนู่นนานแล้วแหะอยากจะยมสาธิชนทั้งหลายทีนี้วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีบรรจุศพวิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีบรรจุศพเนี่ยนิยมปฏิบัติโดยมากเลยทีเดียว ก็แบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คืออัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จสับเรียบร้อยก่อนแล้วหรือสองก็อัญเชิญศพมาตั้งบำเพ็ญกนะุศลณสาลาบริเวณสุสานนั้นก่อนการอัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วนี่นิมนต์เริ่มประกอบพิธีนะก็คือเริ่มพิธีทอดผ้าบงสุกุลโดยจากภาพศพเชิญท่านผู้ใหญ่ หรือประธานทอดผ้าบังสุขุนหรือเจ้าภาพศพทอดผ้าบางสุขุนเองโดยวางทอดผ้าบางสุขุนไว้บนหลังหีบศพนั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ผู้นำศพให้พิจารณาผ้าบางสุขุนครั้งละหนึ่งรูปจนครบพระสงฆ์ทุกรูปที่นิมนต์มาในพิธีบรรจุศพนั้นเจ้าภาพศพเชิญท่านผู้มีเกียรติซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในพิธีนั้นเป็นประธานประกอบพิธีบรรจุศพ โดยมอบก้อนดินหนึ่งก้อนดอกไม้สดหนึ่งดอกทูบที่จุดไฟแล้วหนึ่งดอกให้แก่ท่านผู้เป็นประธานและก็มอบให้แก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นทุกคนอย่างเดียวกันท่านผู้เป็นประธานพิธีเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพด้วยการวางก้อนดินและก็ดอกไม้สดณนะสถานที่บรรจุศพนั้นแล้วก็ถือทูบประรมมือยกขึ้น ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจดอยู่ที่ดั้งจมูกปลายนิ้วชี้ทั้งสองจดอยู่ระหว่างคิ้วพร้อมกับอธิษฐานในใจอย่างนี้หนะยจะจบให้อธิษฐานว่าขอจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจบแล้วก็ปักทูบไว้ณนะกระถางสาหรับปักทูบนั้นแล้วก็น้อมตัวยกมือไหว้อีกครั้งแม้แต่ผู้มาร่วมพิธีก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกันยะจบ เอาภาพศพเนี่ยก็นิยมนำเหรียญเงินหนึ่งบาทหรือเหรียญเงิน5บาทจำนวนหนึ่งเหรียญเป็นอย่างน้อยหรือมีจำนวนหลายเหรียญก็ยิ่งดีวางลงณนะสถานที่บรรจุศพนั้นพร้อมกับนึกในใจว่าข้าแต่ท่านเป็นเจ้าของที่ข้าบาเจ้าขอมอบเงินนี้เป็นค่าที่อยู่ให้แก่ศพนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิ ธ, ธีบรรจุศพท่านี้อย่าจก ถ้าประกอบพิธีบรรจุศพณสาลาที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้นก็นิยมไม่ต้องซื้อที่อยู่ให้แก่ศพแต่ประการใดการอัญเชิญศพตั้งบำเพ็ญกุศลณสาลาบริเวณสุสานนั้นก็ย่อมนิยมเริ่มประกอบพิธีดังต่อไปนี้เหมือนกันก็นกคือหนึงละนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปเป็นอย่างน้อยหรือจำนวนมากกว่านั้นมาประกอบพิธีด้วยการสมาทานศีลห้า แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สวดมาตีกาและก็บังสุ kul พระสงฆ์ไหพรเจ้าภาพกรวดน้ำบุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ตายแล้วจึงอัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มประกอบพิธีบรรจุศพดังกล่าวในการประกอบพิธีบรรจุศพเนี่ยบางท้องถิ่นก็นิยมมีการโปรยทานด้วยก็เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ถือว่าเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมบญบารมีของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีมากยิ่งขึ้นในกติวิสัยสำปรายยาภพด้วยทีนี้ญะจิมสาธุชนทั้งหลายนี่ถ้าเราจะพูดในส่วนของระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกำหนดงานกำหนดวันเหมือนกันญาติโยม ก็หมายความว่าการกําหนดงานพระราชทานเปล่งศพหรืองานถาปน ก, กิจสมเนีย่ยนิยมประชุมปรึกษาหารือกัน ร, ระหว่างบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายและก็การประชุมปรึกษาหารือตกลงกันอย่างช้านิยมภายในระยะเวลาก่อนงานบําเพ็ญกุศลปัญญาสะมะามวันทําบุญ50วันเพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอแก่การจัดทําสิ่งของเป็นอนุสร์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปเช่นการจัดพิมพ์หนังสืออนุสร์งานศพเป็นต้น ถ้าตรงลงจะจัดงานพระราชทานเลิงศพหรืองานชาปนกิจศพติดต่อกับงานบำเพ็ญกุศลสัตว์มวานคือทำบุญหนึ่งวันก็ยังมีเวลาเตรียมจัดงานได้เกือบสองเดือนนับว่ามีเวลามากเพียงพอแก่การจัดงานโดยไม่เป็นการรีบด่วนจนเกินไปส่วนการเตรียมงานเบื้องต้นอีกถ้างานนั้นเป็นงานพระราชทานเิงศพท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูลนิยมมีเครื่องนาสังเกต เช็ดตู้ยาเช่นตู้ยาโตเตียงท ร, รมาศเทศทำรรมาศปาติโมกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างถวายเป็นของสงฆ์ถือว่าเป็นอนุสร์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็นิยมจัดพิมพ์หนังสือที่มีสาระประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับวิชาการเป็นต้นเพื่อเป็นอนุสรอย่างน้อยหนึ่งเล่มถ้ามีหลายเล่มก็ยิ่งเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ล่วงลับไปมากยิ่งขึ้น น, นิยม rainforest. จะทำสิ่งของถวายพระสงฆ์เช่นพัดรองย่ามหมอนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามกำลังเงินที่อำลวยให้ทำได้เพื่อเป็นอนุสรแก่งานอีกด้วยการจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพหรือชาปนกิจศพการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหรือก่อนชาปนกิจศพนั้น นิยมจัดพิมพ์การ์ดแจกแก่วงญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่มีความเคารพนับถือทั้งหลายด้วยนิยมประกาศทางสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุด้วยเพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกันการจัดงานบําเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพหรือก่อนชาปนกิจศพเนี่ยนิยมจัดทํางานสองวันบ้างจัดทํางานวันเดียวบ้างการจัดงานบําเพ็ญกุศลสองวัน การจัดงานบําเพ็ญกุศลแบบจัดสองวันเนี่ยถ้าจัดทําติดต่อกับงานบําเพ็ญกุศลสัปดมวานคือทําบุญครบหนึ่งวันก็นิยมเริ่มจัดงานเวลาเย็นของวันที่ครบหนึ่งรวันเป็นต้นไปและก็นิยมพิมพ์การกําหนดการต่างๆ่างเช่ น, นในหน้าซองเนี่ยของการ์ดเนี่ยก็จะเขียนว่ากําหนดงานพระราชทานเพลิงศพหรือชาปนิกิจศพแล้ข้างล่างถัดลงมาก็ใส่ชื่อของผู้ตาย ถัดลงมาก่อนณเมรุวัดชื่ออะไรก็ว่าไปถัดลงมาก็ตำบลอำเภอจังหวัดถัดลงมาก็วันที่เดือนพอสตรงกับวันขําเดือนถัดลงมาก็เวลาส่วนในด้านในของการ์ดนี่ก็จะมีรายการบำเพ็ญกุศลนะก็จะขึ้นต้นด้วยวันที่เดือนพอสตรงกับวันกี่ขําเดือนแล้วก็ถัดลงมาเวลา16บหนาฬิกาอันเชิญศพขึ้นประดิษฐานบําเพ็ญกุศลศพณสาลาการเปลี่ยน เวลาสิบเจนาฬิกาพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สรูปสวดรับเทศเวลา18บแนาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เวลา19บเนาฬิกาพระสงฆ์สีรูปสวดพระมิธรรมนี่คือวันแรกแล้วก็วันที่สองก็รุ่งขึ้นวันที่สองเอาว่าว่าวันที่เดือนพศออตรงกับวันกี่ข้าเดือนแล้วก็กําหนดเวลาเช่นส0บนาฬิกามีเทศอนิสงส์นาศบหนึ่งกัน เวลาสิบนาฬิกาสานาทีพระสงฆ์ทรงสามัญศักดิ์สิบรูปสวดถวายพรพระเวลา11บเนาฬิกาถวายพระฐานเพลนเดพระพิสุสสามเณรจำนวนกี่รูปก็ว่าไปเวลา13บสนาฬิกาพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาเวลา14บสนาฬิกาพระสงฆ์ทรงสามัญศักดิ์สิบรูปสวดสัตตพระคาถานิยมเฉพาะงานพระราชทานเผลงศกแล้วก็เวลาสิเวลา15บหนาฬิกา พระสงฆ์จํานวนกี่รูปก็ว่าไปสวดมารติกาและก็บังสุกลุลเวลา16บหนาฬิกาก็พระราชทานเพลิงศพเวลา18บแนาฬิกาก็เก็บอัฐิอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เขียนว่าจึงขอประทานกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงแล้วก็ลงท้ายด้วยเจ้าภาพก็ว่าไปชื่ออะไรก็ว่าไปทีนี้การจัดงานบําเพ็ญกุศลวันเดียว การจัดงานบําเพ็ญกุศลวันเดียวแบบวันเดียวนั้นนี่นิยมจัดแยกเป็นเอกเทศหนึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับงานบําเพ็ญกุศลหนึ่งวันและก็นิยมพิมพ์การ์ดกําหนดวันต่างๆนะเช่นหน้าซองของการ์ตก็กําหนดงานพระราชทานเปล่งศพหรือชาปนกิจศพใส่ชื่อผู้ตายณนเะมรุวัดตําบลอําเภอจังหวัดวันที่เดือนพศตรงกับวันกี่ย่ําเดือนเวลา ส่วนภายในกาดก็รายการมันเป็นกุศลวันที่เดือนพศตรงกับวันคําเดือนเวลาเก้นาฬิกาเชิญศพขึ้นประเด็จสถานบําเพ็ญกุศลศพณสาลนะาการเปลี่ยนเวลาส0บนาฬิกามีพระธรรมเทศนาะหนึ่งกันเวลาสิบนาฬิกาสาบนาทีประสงค์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เวลาสิเอ็ดนาฬิกาถวายพระทหารเพนแก่พระพิสุทิสามนเณรทั้งวัด เวลา13บสนาฬิกาพิสูจน์สองจำนวนกี่รูปก็ว่าไปสวดมาติกาบางสุกุลเวลา16บหนาฬิกาประชุมเพลิงเวลา18บแนาฬิกาเก็บอาทิตย์จึงขอประธานกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงชื่อเจ้าภาพอย่างนี้เป็นต้นยัจบอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูแล้วแต่เราจะเอาไปดัดแปลงไปพูดนะเพราะฉะนั้นนี่ตามรายการที่แสดงมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นยัจบ เมื่อถึงคราวปฏิบัติจริงๆก็อาจจะพิจารณาลดลงหรืออาจเพิ่มเติมรายการบำเพ็ญกุศลต่างๆขึ้นอีกได้ตามกำลังศรัท ธ, ธาและก็ความสามารถบางท้องถิ่นก็อาจนิยมปฏิบัติพิธีแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ก็ขึ้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดงานยัโจมเราพึงพิจารณาจัดงานให้ดาเนินไปตามความเหมาะสม แก่ขนบมรำเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆชนิดบัวไม่ให้ช้ำน่ะก็คือน้ำใจนั่นแหละคือไม่ให้คุณน่ะจึงจะเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชั้นลาดในการจัดงานเป็นอย่างดีอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับยอดโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะ่ะคือที่จริงแล้วที่คุยมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้ทราบความเป็นมาได้ทราบระเบียบพิธี แต่อยู่ที่ว่าอันนี้ถือว่าดุนอยู่ที่ดุลพินิษ ท, ที่เราจะนำไปใช้ไปจับหยิบนั่นหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมเสกลมกลืนกันก็ใช้ไดจ้จบทีนี้มาดูว่าระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุลการเตรียมงานเบื้องต้นก็จะทำกันอย่างไรก็หมายความว่าก่อนถึงเวลาประกอบพิธีบังสุกุลเนี่ยนนิย ม, น, น, ยม น, นพิธีกรก็นิยม ทดลองทอดผ้าภูสายโยงดูก่อนว่าความยาวของผ้าภูสายโยงขนาดไหนถึงจะพอดีกับความยาวของอาสงค์หรือจึงจะพอดีกับจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาผ้าบางสกุลเมื่อได้ทดลองทอดผ้าภูสายโยงดูแล้วนี่ก็หาเชือกได้มามัดผ้าภูสายโยงส่วนที่เหลือแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหากและก็ และก็ผ้าภูษาโยงเนี่ยนิยมเชื่อมต่อกับได้สายศินที่โยงมาจากศพเตรียมไว้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเป็นงานหลวงก็ น, นิยมนําผ้าภูษาโยงจากศพมาต่อเชื่อมภายหลังในเมื่อทอดผ้าภูษาโยงไปตามอาจสงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้การทอดผ้าภูษาโยงก็คือเมื่อถึงเวลาจะทอดผ้าบางสกุล พิธีกรก็นิยมยกผ้าผูสายงส่วนที่จะต้องการให้อ่าต้องการใช้นี่ลงจากผายชนะที่รองรับนักแล้วก็เอามาวางไว้กับพื้นอาจสงให้ผ้าผูสายงอยู่กึ่งกลางระหว่างพระสงฆ์กับอาจสงแล้วก็จับชายผ้าผูสายงดึงทอดไปจนตลอดจำนวนพระสงฆ์ทุรุกการเก็บผ้าผูสายงเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลแล้วนี่ พิธีกรก็นิยมเก็บผ้าภูสายงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดข้ามกรายผ้าภูสายงนั้นซึ่งถือกันว่าเป็นการข้ามกรายศพของผู้รับไปผู้ล่วงรับไปแล้วโดยวิธีใช้มือทั้งสองข้างนั้นช่วยกําเก็บผ้าภูสายงนาพับด้านปลายเข้ามาเป็นท่อนๆและก็ประมาณหนึ่งอกหรือเก็บพับตามอรอยที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น แล้วก็วางเก็บไว้บนพาชนะสําหรับรองรับตามเดิมถ้ายังมีพระสงฆ์ชุดต่อไปน่าจะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุก u ลอีกก็ยังไม่ต้องรีบเก็บผ้าผูสายงรอไว้เก็บเมื่อพระสงฆ์ชุดสุดท้ายพิจารณาผ้าบังสุก u ลเสร็จแล้วหรือนิยมเก็บผ้าผูสายงทุกครั้งที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ k จบแล้ว เมื่อถวายความสะดวกแก่พระภิสุสงฆ์จะลงจากอาสงได้สะดวกเมื่อประสงค์ชุดต่อไปมานั่งบนอาสงเรียบร้อยแล้วจึงทอดผ้าภูษายงอีกก็ได้ทีนี้การทอดผ้านะการทอดได้สายสินนะถ้าในพิธีบางสุกุลนี้นะมิได้เตรียมผ้าภูษายงไว้ก็นิยมใช้ได้สายศินทอดแทนผ้าภูษายง ซึ่งได้สายศินนั้นนี่ได้เตรียมโยงมาจากศพพันไว้กับภาชนะรองรับแล้ววางบนภาชนะรองรับนั้นเมื่อถึงเวลาทอดผ้าบังสุกุลนิยมให้พิธีกรคลี่นากลุ่มได้สายศิลทอดไปตามพื้นอาสงเช่นเดียวกับทอดผ้าภูสายโยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในพิธีบังสุกุลนั้นนี่ไม่มีผ้าทอดบังสุกุลเพียงแต่นิมนต์พระสงฆ์ให้จับได้สายศิล พิจารณาบางสกุลเท่านั้นในกรณีเช่นนี้นิยมให้เจ้าภาพมอบถวายกลุ่มได้สายศีลแก่พระผู้เป็นประธานสงฆ์ให้ท่านคลี่ได้สายศีลส่สงให้แก่พระภิสุรูปต่อๆไปการเก็บได้สายศีลล่ะเราจะเก็บกันอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อประสงค์พิจารณาบางสกุลเสร็จแล้วก็นิยมมอบให้เป็นหน้าที่ของคระหัตเป็นผู้ม้วนเก็บได้สายศีลเพราะพระสงค์ทางนั้นจะต้องตั้งพัดอโนโมธนา ส่วนกุศลต่อไปอันนี้คือระเบียบพิธีนะระเบียบพิธีการในส่วนของการนะทอดผ้านะได้นะทีนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการทอดผ้าบาังสุกุลมิธีการทอดผ้าบาังสุกุลที่อาจสงในญาติโยมนะการทอดผ้าบาังสุกุลที่อาจสงนิยมทอดผ้าบาังสุกุล โดยวิธีวางขวางไว้บนผ้าผูสาโยงหรือวางขวางไว้บนได้สายศิลตรงข้างหน้าพระภิสุสง์แต่ละรูปไปตามลําดับหรือถ้าอาสง์ข้างหน้าพระสงฆ์ที่วางเหลือน้อยนะไม่เพียงพอสําหรับจะทอดผ้าบังสกุลตามขวางได้เพราะว่าถ้าทอดผ้าบังสกุลอาจตกลงจากอาสง์ในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราก็นิยมวาง ทอดผ้าบางสกุลไปตามยาวของได้สายสินก็ได้วิธีการวางทอดผ้าบางสกุลนั้นเนี่ยนิยมไม่ต้องประเคนถวายแก่พระสงฆ์เพียงแต่วางทอดถวายไว้ตรงหน้าเท่านั้นถ้าผู้วางทอดผ้าบางสกุลนั้นเป็นประธานพิธีงานก็นิยมวางทอดผ้าบางสกุลผู้เดียวจนครบจำนวนพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิ ถ้าการบําเพ็ญกุศลนั้นเป็นการบําเพ็ญกุศลระหว่างหมู่ญาติก็นิยมให้วงศาคณาญาติช่วยการวางทอดผ้าบาังสุกุลเพื่อเป็นการทําบุญร่วมกันเมื่อวางทอดผ้าบาังสกุลแล้วนี่ก็นิยมนั่งอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์ประนมมือคอยรับฟังพระสงฆ์พิจารณาผ้าบาังสุกุลแล้วก็ตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพื่อรับผ่อนต่อไป การทอดผ้าบางสกุลที่เมรุละ่ะเราจะทํากันอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อผู้เชิญถือผานใส่ผ้าบางสกุลมาเชิญให้ให้ขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลที่เมรุผู้รับเชิญพึงลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าผู้เชิญนั้นใน ย, ย, ย่าจกยังไม่ต้องรับผ้าบางสกุลจากผู้เชิญเมื่อขึ้นไปถึงบนเมรุแล้วนี่ท่าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงไม่โค้งคำนับถ้าม่ได้แต่งเครื่องแบบนะ ก็นิยมยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้ศพน่ะแล้วรับผ้าบังสกุลมาจากผู้เชิญแล้วก็วางทอดไว้ณนภะาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับหรือวางทอดไว้บนหีบศพเมื่อวางทอดผ้าบังสกุลแล้วนี่ก็นิยมโค้งคำนับศพหรือน้อมตัวลงยกมือไหว้ศพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถอยหลังหลีกไปยืนณนะมุมของเมรุด้านซ้ายของพระสงฆ์ ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลเพื่อรอเวลาพระสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาบนเมรุผู้ทอดผ้าบังสกุลพึงน้อมตัวยกมือไหว้ขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลผู้ทอดผ้าบังสุกุลพึงประนมมือขณะที่พระสงฆ์จะลงมาจากเมรุไปนะผู้ทอดผ้าบังสุกุลนิยมน้อมตัวลงยกมือไห ว, พพ Phoenix, พพไหว้พระสงฆ์นั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินลงจากเมรุ ถ้าผู้ได้รับเชิญขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลนั้นเป็นประธานพิธีงานประชุมเพลิงศพนั้นและเจ้าภาพเชิญขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลเป็นคนสุดท้ายนี่ก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วแต่เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลเสร็จแล้วและทําความเคารพพระสงฆ์แล้วก็นิยมเริ่มประกอบพิธีประชุมเพลิงศพต่อไปอันนี้ก็ วันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลานํามาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องระเบียบพิธีในงานศพวันหลังถ้ามีโอกาสเวลาไหนเหมาะสมสมควรอย่างไรเพราะหาที่ลงไม่ได้ในญาติโยมก็คงจะมาลงในทําไม5ห้าโมงเย็นก็เป็นกลางวั น, นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนี่แหละญาติโยมก็จะพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดภ้าบางสุกุลที่เมรุ ว่าเราจะเชิญเขาอย่างไรนะวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเราจะทําอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการไปงานศพเราจะไปทําไมไปเพื่ออะไรวิธีการรดน้ําศพพระสงค์การไปงานตั้งศพ บ, บําเพ็ญกุศลนะวิธีการปฏิบัติแสดงความเคารพศพขริฮัตอนะไรเหล่านี้เป็นต้นวิธีการแสดงความเคารพศพพระสงค์ นะลำดับการขึ้นแมรุเผาศพการไปงานเผาศพวิธีปฏิบัติการเผาศพระเบียบการเก็บอัฐิะายนี่ยังเหลือเยอะแยะอะไรทีเดียวยัดยโยเดี๋ยววันหลังจะมาพูดคุยให้กับยัดยโยมสาธิชนทั้งหลายด้วยต้องขออภัยยัดยโยมที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าในอยู่ในช่วงของเนื้อหาสาระมาอยากที่จะให้เนื้อหาสาระขาดตกบกพร่องก็เลย ไม่ได้รับโทรศัพท์จากญาติโยมนะถ้าอย่างไรก็5นาทีนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ถ้าอยากจะสนทนาแกอัตมาภาพในะในส่วนของวันนี้ก็แล้วกันนะวันต่อๆไปก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากกับญาติโ ย, ย, ย, ยมเช่นเคยนะเนื่องจากว่ารายการก็จะนำเนื้อหาสาระที่จริงแล้วในเรื่องของระเบียบพิธีกรรมของงานศพนี่ถือว่าเป็น ระเบียบพิธีกรรมที่เยอะพอสมควรที่เรามองเห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่ า, าระเบียบพิธีกรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงเปลือกของศาสนาแต่เราก็ควรที่จะรู้เพราะว่าต้นไม้หรือพระพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกถ้าไม่มีกับพีก็จะเกิดแก่นก็ไม่ได้ยัจบนะเราต้องเข้าใจ นในส่วนระเบียบพิธีกรรมต่างๆที่เรายัางไม่รู้ก็จะเอามาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็แล้วกันน่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจแล้วก็ได้นำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยก็ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ติดตามรายการของอาตมาภาพได้ในเวลาตีหถึงหโมงเช้านี่ก็ไม่ค่อยได้มาจัดรายการสักเท่าไหร่น่ะเพาเช้าเกินไป น่ก็ยากลำบากพอสมควรแล้วก็ในส่วนของเวลา 18.30 นาฬิกานาทีจากรายการที่เคยมี1ชั่วโมงครึง่งน่าก็เวลา13นาฬิกาอันาฬิกาานาทีถึง 19.00 นาฬิกาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นรายการกรวีบทรดธรรมซึ่งจะมีอยู่2ช่วงเวลา 8.00 นาฬิกาถึงเวลา 9.00 นาฬิกาก็ปรับเปลี่ยนเวลากันออกไปนแล้วก็เวลา 12.00 นาฬิกาก็จะพยายาลมมาดคุย นาก า, นร า, ารทันพระจานท์สุภั ท, ภทธ์พัฒวโรซึ่งทันรับรายการช่วงนี้ไปแล้วก็เวลา17นาฬิกาก็รายการธรรม ะ, ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ญาติโยมก็คงจะนอนหลับธรรมะสําหรับกล่อม ญ, ญาติโยมฟังธรรมะก่อนนอนถือว่าเป็นอภรณ์ของชีวิตในญาติโยม นะเป็นปรัช ญ, ญาของอาตมาภาพคิดได้เมื่อสักครู่ใครจะนำไปใช้ก็เอาไปใช้ก็แล้วกันนะธรรมะธรรมะก่อนนอนคืออาภร์ของชีวิตคือเราได้ฟังแล้วก็นะธรรมะในธรรมะจิตช่มชื่นเบิกบานใจรู้ระเบียบรู้วิธีปฏิบัติถ้าอย่างไรยัดยมโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้หลังจากที่จบรายการ5นาทีก็จะรอรับโทรศัพท์กัดยัดยมก็แล้วกัน เพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากญาติโยมวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วละวันนี้อัตมภาพพระสมรักษ์ยาณทีโรวัดพันธสีตมบุญจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินต้องขอลาไปจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมบริรับฟังรายการทุกๆุกท่านขอเจริญพร